บทภาชินีปติญญาตะกรณะเห <4 46. t> ็นกำลังนั่งเศเมถุนที่ร้อยสี่สิบาอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งเศเมถุนกับมาตุคามและพิสูุนนั้นก็ยอมรับการนั่งนั้นพึงปรับตามอาบัติถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งเศเมถุนกับมาตุคามถ้าพิสูจนนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอัตมานั่งก็จริง แต่ไม่ได้เสษเมตุนธทำพึ paradise, ปงปรับอาบัติเพราะนั่งถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งเศษเมตุนกับมาตุคามถ้าพิสูจนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอัตมาไม่ได้นั่งแต่นอนพึงปรับอาบัติเพราะนอนถ้าอุบาสิกานั <t asia> <t asia> <t asia> <t asia ้นกล่าวอย่างนี้ว่าทีฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนั่งเศษเมตุนกับมาตุคามถ้าพิสูจนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอัตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัติ เห็นกำลังนอนเสศเมทุนที่ร้อยสาอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนอนเสศเมทุนกลับมาตุคามและพิสูุนนั้นยอมรับการนอนนั้นพึงปรับตามอาบัตถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทิฉันเห็นพระคุณเจ้ากำลังนอนเสศเมทุนกลับมาตุคามถ้าพิสษุนนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอัตมานอนจริงแต่ไม่ได้เสศเมทุนพึงปรับอาบัตขอนอน ถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนอนเสพเมถุนกับมาตุคามถ้าพิสษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอัตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัติเพราะนั่งถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนอนเสพเมถุนกับมาตุคามถ้าพิสูุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอัตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัติเห็นกําลังนั่งถูกต้องกาย 4ี่ร้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทีฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนั่งถูกต้องกายกับมาตุครมและพิสูจนั้นยอมรับการนั่งนั้นพึงปรับตามอาบัติถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนั่งถูกต้องกายกับมาธุครมถ้าพิสูจนนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าตัมานั่งก็จริงแต่ไม่ได้ถูกต้องกายพึงปรับอาบัติเพราะการนั่ง อาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่พึงปรับอาบัติเพราะนอนอาตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัต <He S 2> oh. case, ิเห็นกําลังนอนถูกต้องกายถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าที่ฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนอนถูกต้องกายกับมาตุคามและพิสูจนนั้นยอมรับการนอนนั้นพึงปรับตามอาบัติท่าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าที่ฉันเห็นพระคุณเจ้ากําลังนอนถูกต้องกายกับมาตกคามท่าพิสูจกล่าวอย่างนี้ว่า อาตมานอนก็จริงแต่ไม่ได้ถูกต้องกายพึงปรับตามอาบัติเพราะนอนอาตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับตามอาบัติเพราะนั่งอาตมาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัติเห็นนั่งในที่รับสี่ิบเก้าถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งบนอาสนะที่กำบังในที่รับพอจะทำการได้กับมาตุรามสองต่อสองและพิกชุนั้นยอมรับการนั่งนั้นพึงปรับอาบัติเพราะนั่ง อาตมาไม่ได้นั่งแต่นอนอยู่พึงปรับอาบัติพ่อนอนอาตมาไม่ได้นั่งแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบาัติเห็นนอนในที่ลับที่ร้้าอุบาสิกานั้นกล่าวอย่างนี้ว่าิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กรรมตุคามสองต่อสองและพิคุณนั้นอยอมรับการนอนนั้นพึงปรับอาบัติพ่อนอนอาตมาไม่ได้นอนแต่นั่งอยู่พึงปรับอาบัติพ่อนั่ง ตามาไม่ได้นอนแต่ยืนอยู่ไม่พึงปรับอาบัติคำว่าอนิยตคือแม่แน่ว่าจะเป็นปาราชิกเป็นสังฆธิเสตหรือเป็นปาจิตตสี่ร้ยห้ิบเที่สุดยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัติพึงปรับตามอาบัติที่สุดยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั happen, ่งยอมรับอาบัติพึงปรับตามอาบัติที่สุดยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัติพึงปรับอาบัตเพราะนั่ง ภิกษุยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตไม่พึงปรับอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตพึงปรับอาบัตเพราะนั่งภิกษุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอม พระอาบัติไม่เพิ่งปรับอาบัติประทมอนิยตสิกขาบทจบ